วันที่สิบเก้าไปหลวงพุจามวั น, วนห้วยทายวันรัภาพอายุหนึ่งรอ้อ ย, ยงรอยสี่ปีอายุหลวงพุทามหนึ่งร้อยสี่ปีวันที่สิบเก้าพฤทภพาลเต็มหนึ่งร้อยสี่ปีเป็นผู้มีอายุยืนหลวงพูทามอายุยืนมากเป็นหลวงอาของอาจารย์อิน เป็นน้องชายพ่อของจย์อิน <c oughs> มีน้ําอาบน้ําหลวงอาบศพ ก, ก็มีขอพระราชทานไปไปถึงเมาสี่ทุม่มเมื่อวันที่สิบเก้านะสี่ทุ่ ม, มวันที่สิบเก้าเมื่อวานลงขึ้นเมื่อวานยนะี่สิบเมื่อวานเมื่อวานยี่สิบ บ่ายสองครึ่งปูว่าไปไปทาพิธีสง่งสงน้ำอาบน้ำหลวงน้ำหลวงอาบศพสบ่สงศพครูบาอาจารย์ก็ไปร่วมเยอะเมื่อวานก็สงน้ำไปรอบหนึ่งแล้วแต่เราไปไม่ทันเอาเข้าลงเย็นก่อนเอาเข้าลงเย็นก่อนเมื่อวานเมื่อวันสิบวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเมื่อวานบ่ายสอง ไปสองครึงเริ่มพิธีก็เปิดโอกาสให้ผู้บรรจารย์ได้สรงน้ำํำองค์ที่ยังไม่ได้ส่งน้ํา็ได้ส่งน้ําส่งน้ําเสร็จแล้วก็กลับมาวานถึงนี้สองทุ่มจากบ้านพนไปนุ้นก็ชั่วโมงกว่ า, อ, า อ, อําเภอคํเชีอีบ้านเวส่าย อ, า อ, อําเภอคํเชีอีจากเราหนีไปบ้านโพลก็สองชั่วโมงกว่า รวมไปแล้วเกือบสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงมั้งสี่ชั่วโมงเกินอีกนะไม่ไม่ใช่ใกล้ๆนะให้ัดสงบหารถขนฟางไปเมื่อวานก็ได้ขนไปแล้วขนฟางไปวางวางวางวางวางวางขนได้พักดอนี้คนเขามีคระโจมมีเต็นท์ไปกลางนอน มีฟางนี่ก็สะดวกสบายไม่ต้องมีศาสตร์ก็นอนได้ไม่ต้องมีอะไรปูก็นั่งได้นอนได้ฟางคงไม่มีตัวไรนะฟางนะถ้ามีตัวไรก็ยุ่งอีกนะถ้ารอใหญ่ถ้ารอหลวงปู่จามใหญ่คนไม่แน่นเมื่อวานคนก็ไม่ขึ้นร้อยขึ้นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไม่ขึ้น รอบข้างก็เป็นบริเวณทั้งนั้นแหละนั่งก็เห็นดูเห็นหมดบริเวณใช้สอยบริเวณสลาบริเวณเจดีเป็นพื้นปูนบริเวณเจดีเป็นพื้นกระเบื้องปูกระเบื้องมาบริเวณสลาไปถึงในครัว롱ครัวก็อยู่ใกล้ๆเป็นปูนเป็นพื้นปูนเป็นพื้นที่นั่งได้หมดได้นั่งฟังเทศที่สลาฟังนั่งฟังได้หมด จำนวนได้เป็นแสนเจาเพาะตรงนั้นยังไม่ทราบว่าจะไววนานเท่าไหร่อาจาจเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุมันอายุมากเท่าที่เราเคยเห็นมาร้อยกับสี่ปีหลวงพูวัดโพเรา100 1 1> นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเอ็ดเต็มเมษายนเข้าหนึ่งร้อยสองเลยเข้าหนึ่งร้อยสอง หลวงตาเราก็แค่เก้าสิบแปดอายุเก้าสิบแปดหลวงปู่ดมญาณโมลีร้อยสองอายุยืนอายุยืนด้วยมีสมณศักดิ์สูงสุดในเขตอีสานเนี่ยมีสมณศักดิ์สูงสุดก็เด็กชั้นรองรองสมเด็จพระดมญาณโมลีรองจากเพื่อนลงมาก็มีแต่ชั้นธรรม อย่างลงตานี่ก็ฉันทำเนีสมณศักดิ์เจ้าคณะเจ้าคณะภาคขนแก่นดฉันทำเจ้าคณะภาคร้อยเอ็ดฉันทำสมณศักดิ์สมณศักดิ์นี้เป็นเป็นยศเป็นเกียรติอันหนึ่งที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินอเป็นศักดิ์ยศ ช้างเขาถือว่าเป็นยศเป็นยศช้างคุณนางพระสมนักสํานักศักดิ์เนี่ยเหมือนยศเหมือนคุณนางยศช้างคุณนางพระคุณนางยศช้างหมายความว่าช้างไม่รู้เรื่องตั้งให้มันเป็นยศน้นยศนี้ไปดูช้างคู่บารมีในหลวงนะยศชั้นไหนไม่รู้มียศ ชดช้างตัางไงมันมันไม่รู้เรื่องชดช้างคือช้างไม่ได้สนมันไม่สนคุณา่าคุณนางพระก็เช่นเดียวกันตามต้นต่อแท้ท จ, จริงก็คือได้รับคำชมคำสรรเสริญนะคำเทิดทูนบูชาจากพระเจ้าแผ่นดินพรนะราชทานเองนะที่แรกก็บบพระราชทานเองเพื่อให้เหมาะสมกับคุณงามความดีที่ท่านทำ ทำต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นภาระช่วยบอกช่วยสอนคนช่วยบอกช่วยสอนพระเนนช่วยบอกช่วยสอนสอนประชาชนทําให้พระเนนดีรู้ศินรู้ธรรมทั้งใจศึกษาทั้งใจปฏิบัติธรรมทั้งทําให้ญาติโยมรู้เรื่องศินรู้เรื่องธรรมและเป็นพลเมืองดีเมื่อพระก็เป็นพลเมืองดีโยม ก็เป็นพลเมืองดีก็เป็นเหตุให้ชาติการปกครองคนในชาติก็สะดวกสบายช่วยเป็นการช่วยการดูแลเป็นการช่วยการปกครองคนในชาติให้เป็นคนดีเป็นการแบ่งเบาระบบทางราชการนับตั้งแต่ในอำเภอผู้ว่าผู้ใหญ่บ้านอะไรไปเป็นต้น ไปจนถึงส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงยศสมนสักศักดิ์สำนักก็คือศักดิ์ของสมณะที่จะทำเฉยๆเหมือนช้างได้ก็มีแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสินมีธรรมอะโดยเฉพาะอย่างหลวงตาเนี้ยหลวงตาเขาวิ่งตามถวายท่านถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนเขาวิ่งตามถวายท่าน นับต้องเตยเป็นพระครูนี่ย น, นะก็วิ่งตามถวายท่านเหมือนกับวิ่งตามถวายเอท่านไม่ได้บอกได้ขออะไรถวายมาพระครูท่านก็ไม่เอาพาดมานะั้นทิ้งไว้วรนาฏน่ะนะต่อมาเมื่อปีไหนเนี่ยเมื่อปีไหนอีกถวายเป็นพระราชฎเป็นชจคุณเ่ะขึ้นมาเป็นชั้นราษฎร์เลยอืมชั้นธรรมดา ไม่ได้ตัง้งตั้งเป็นชั้นราชเลยพระราชยานพิสุทธิโสพลพระเทพก็ไม่ได้ตัง้งขึ้นไปเป็นพระธรรมพระธรรมมวิสุทธิมงคลพระธรรมมวิสุทธิมงคลเนี่ตั้งตั้ ง, งให้เหมาะสมอืมตั้งเพื่อเข้าไปในวังได้สะดวกระว่างกันนะ ตั้งเพื่อเข้าไปในวังได้สะดวกมีสมณศักดิ์มีพัดเรียกพัดยศแต่หลวงปู่จามท่านไม่ได้เป็นอะไรมั่งหลวงปู่จามไม่ได้เป็นพระครูไม่ได้เป็นอะไรมั่งเราก็ไม่ได้ถามนะได้ยินแต่อาจารย์อินพูดบ่อยครั้งว่าท่านไม่ได้เป็นพระมีสมณศักดิ์อะไรถ้าจะถวายก็ถวายเพลิงอ่ไม่ได้มีพระราชทานเพลิงยกเว้นแต่ว่า ทางในวังยื่นมือมาอาไว้นนะยื่นมือมาอย่างน้ําหลวงอาบศพนี่ก็ประทานมานี่อมีประทานมาต่อไปพระราชทานเพลิงท่านกระทงจะต้องพระพราชทานแล้วก็พระราชทานพวงมาลานี่พวงมาลาพวงรีนั่นแหละพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาก็น่าจะมีน่าจะต้องมีพระเทระ ที่มีปัญษามากอายุมากขนาดนี้นี่ยเราคิดว่าอาจจะครอบนั่นเลยเนี่ยพวงมาลาเหมือนต้องตาเนี่อ่ารวมวงสานวงพี่เจ้าลูกเธอพี่เจ้าหลานเธออะไรนี่ยจะประรับจทานมาหมดเลยพวงมาลาก็แต่คะแนงไป เ, เยอะแยะไปแต่คะแนงไป <c oughs> พวกเราก็ไปร่วมบุญเมื่อ ว, วานก็ได้กันไปร่วมบุญนิดหน่อย อาจารอินบอกเออเดี๋ยวต้องการเมื่อไรจะจะเรียกกันจะบอกกันทำเตาทำทำเตาที่เผาแต่ประชาชนน่าจะพอสมควรนะประชาชนว่าวันนั้นจริงๆประชาชนน่าจะมากดูแต่เ ม, มื่อวานประชาชนเต็มประชาชนหลายหมื่นนะเมื่อวานพระเนนก็ไปบิณฑบาตฉันเช้านี่ก็เป็นร้อย วันตดไกลไกลไปลําบากเดี๋ยวนี้การเดินรถการนั่งรถไปในลําบากอันตรายรถมันเยอะรถตามถนมนนี่เยอะจริงๆถ้ายั ง, งยกลางคืนด้วยแล้วเนี่ยไฟแดงเนี่ยมันลานตาไปหมดเละคื น, เ, นเหมือนกรุงเทพเละไม่รู้ไฟใกล้หรือไฟไกลอู้ลานหูลานตาไปหมดไอเรามองไม่เห็นชัดเราก็ไม่ค่อยสะดวกใจ คนอื่นเขามองชัดหรือเปล่าโชเฟอร์เขามองชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ เ, เหยียบเอาเหยียบเอาไอ้เรามองไม่ชัดเราก็กังฝนเหมือนกันนะมันมองไม่ชัดมัวมัววิ่งรถกลางคืนนี่ชักจะเข็ดละมันวิ่งยากเมื่อคืนนี้จะเข็ดแล้วเมื่อคืนเนี่ยเออแต่มันค่อยๆไปค่อยยังชั่วหน่อยมันิเหยียบเอาเหยียบเอาร้อยร้อยขึ้นร้อยร้อยขึ้น เราเมืคิดถึงปัญหาเหล่านี้คิดถึงเหล่านี้แล้วก็ถือตามน้ําก็ไม่ต้องไปไหนกันละกลัวมีเรื่องมีเร า, ากลัวกระทบกลัวอะไรตัว อ, อะไรนี่ไม่ต้องไปไหนกันหละมันเคยเป็นนะ <laughs> มัอดคิดไม่ได้มันเคยเป็นเอไม่ดีเว่ยเคยเป็นอดคิดไม่ได้อื <laughs> ที่เกียจมีเรื่องเหนื่อยมีเรื่องปาปมีเรื่องโอ้ยุ่งอยู่แล้วยุ่งอยู่แล้วเหมือนปีใหม่คราวที่แล้วเนี่ยยุ่งอยู่แล้วที่พวกเรานี่ก็ไม่ได้ประชุมกันหลายวันนั่นนี่ที่ประชุมกันวันนี้ไม่ได้คุยกันหลายวันเนี่เป็นสิบกว่าวันแล้วมั้งนี่หลายวันละตั้งแตก่อนเข้ากรุงเทพอยู่ไม่มีธุระประปังอะไรก็ประกันภาวนานะ ให้มีแก่จิตแก่ใจให้มีความพอใจมีฉันทะมีความพอใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากมีคุณธรรมอยากเป็นผู้มีธรรมตั้งใจปฏิบัติเอาอะไรไม่เข้าท่าก็ถามอะไรไม่เห็นเข้าท่าอะไรเลยก็ถามถามแล้วก็ไม่เอาไปทำถามอยู่นั่นแหละ ถามแล้วก็ไม่เอาไปทำบายจาร์ท่านสอนพุโทโธคมเดียวนั่นไม่ไปทำเอาถามโน้นถาม น, น, ามนี้ถามทำไมไปทำให้มันเกิดสิขี้เกียจขี้การขี้เกียจทำอจากได้อยู่แต่ขี้เกียจทำเพศเราภาวะเราเป็นเพศเป็นเพศของพ่อตั้งใจเห็นโทษเห็นภยัย พิขุพิฆุพิ sug, พ United, พ caves, ched, parable, blind, tubes, สุพิษุผู้เห็นภ so ัยผู mother, ้เห็นภัยเห็นภัยเจ็บเห็นภัยแก่เห็นภัยเจ็บเห็นภัยตายเนี่ยแหละเห็นภัยที่จะต้องแบกกองทุกในวัะสงสารนี่เป็นภัยที่ยืดยาวที่สุดแบกทุกแบกโทษในวัะสงสารเนี่ยเราจะคลี่คลายเราจะบรรเทาเราจะพ้นพันได้ยังไง เราสามารถคลี่คลายได้เราบรรเทาได้เราผลอนผันได้ด้วยการปฏิบัติธรรมตามเยี่ยงอย่างตามแนวทางตามปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าท่านส่งปลูกฝังเอาไว้นี่แหละที่ครูบาอาจารย์ปลูกฝังเอาไว้นี่แหละเพื่อที่จะบรรเทาได้บรรเทาทุกข์ในความเป็นอยู่ทำความศึกษาเข้าไปที่ใจของตัวเองให้รู้เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ของใจ ให้รู้เรื่องคำว่บบาความหลงให้รู้เรื่องกับมันบ้างความหลงไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับหลงอีกแล้วถามมันดูมันหลงจริงหรือเปล่าถามมันดูหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วได้เรื่องอีกแล้วหลงอีกแล้วได้เรื่องอีกแล้วถ้าเราไม่ตั้งใจศึกษาแล้วก็อยู่ด้วยความลุ่มหลงลุ่มหลงยึดลุ่มหลงเกาะเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั่นแหละ เอาปัญหามาแล้วปัญหานั้นจบไปเอาปัญหานี้ขึ้นมาอีกแล้วปัญหานั้นจบไปเอาปัญหานี้ขึ้นมาอีกแล้วตามหลังมันตลอดตามหลังกิเลสในหัวใจตลอดไม่เคยรู้รู้ตัวไม่เคยรู้เท่าทันไม่เคยมีอุบายวิธีที่จะไปต่อกกอนกับมันแล้วกระทุกอยู่อย่างนั้นแหละอืม ที่จะบรรเทาไม่มีบางทีมีแต่เสริมก็ไปเสริมเข้าไปในความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเราตั้งใจตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจรักษาอารมณ์ของตัวเองตั้งใจรักษาอารมณ์อารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ไม่ดีไม่เป็นธรรมก็พยายามเลิกอพยายามละพยายามลดพยายามปล่อยพยายามวางรักษาอารมณ์ ที่เป็นประโยชน์กับหัวใจเอาสติรักษาเอาวิริยะความพาก ค, ความเพียรประคับประคองรักษาเอาความอดความทนกำหนดจดจอรอักษามีสติมีสมัมมัญญาเป็นคู่เป็นคู่มือเป็นเป็นคู่ปรับเป็นทหารเอกคอยกำกับดูแลมีิริมีโอตระปะ แวดล้อมห้อมล้อมลงจิตดวงนี้เอาไว้ฮิริละอายแก่ใจโอดตปะเกรงกลัวนี่แหละกลัวทุกข์กลัวโทษนี่แหละอกลัวทุกข์กลัวโทษนั่นแหละกลัวทุกข์กลัวโทษเก่ากรรมเก่าที่เราทํามาแล้วกลัวทุกข์กลัวโทษใหม่กรรมใหม่ที่เรากําลังจะทําเนี่ยเอาสุติเอาฮิริ เป็นตัวมาปิดมากั้นเอาไว้ความละอายนั่นละอายแก่ใจที่จะลงละเมิดต่อพฤติกรรมชั่วๆที่จะพึงแสดงออกทางกายทางวาจานันเอาฮิริมา ก, กั้นฮิริคือความละอายแก่ใจใครรักษาใครทําให้เกิดขึ้นมีขึ้นจนเป็นนิสัยแล้วคนนั้นเนี่ยรักษาตัวเองได้แน่นอนว่าจะไม่กล้าก้าวล่วงมันรู้สึกละอาย ความละอายนี่ยิ่งใหญ่นะความละอายในใจเนี่ยยิ่งใหญ่ลายลายแก่ใจตัวเองไม่ใช่ลายแก่ใจคนอื่นถ้าลายแก่ใจคนอื่นเน่ะเวลาไม่มีคนเห็นเราสามารถลงละเมอได้ในที่ลับแต่ถ้าลายแก่ใจของตัวเองที่ลับที่แจ้งมีความละอายไปสังเกตดูมันเกิดความละอายอยังไงไปสังเกตดูอืม อตปะอ่าฮิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวม่นกล้าล่วงละเมิดไม่กล้าทําเหมือนกับผลที่จะพึงตามสนองเรามันสดสดร้อนๆอนที่จะหล่นทับหัวอยู่นั่นน่ะกลัวบาปกลัวกุศลละกัมกลัวบาปกรรมที่มันจะหล่นมาทับหัวนั่นกลัวจะเป็นภาระต้องแบบแบกบาปหากรรม อันนี้เป็นกรอบเป็นภาคพื้นเป็นกรอบเป็นเปราะห้อมล้อมดวงจิตดวงนั้นเอาไว้เป็นดวงจิตที่แน่นอนลในการลวงละเมิดแม้แต่จะนึกแม้แต่จะคิดคิดออกนอกลูก่นอกทางนอกนอกสินนอกธรรมนอกระบบนอกระเบียบคิดเรื่องการเรื่องงานคิดเรื่องคนนั้นคิดเรื่องคนนี้คิดเรื่องนี้บุญหนี้คุณมัน ค, คิดได้หมด มีระบบมีระเบียบมีกรอบมีขอบมันเป็นการกรองเพราะมันกลัวบาป ก, กลกรรมแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วมันไม่ได้คิดหละมันไม่คิดมันไม่ตรองมันไม่กรองอะไรเลยทั้งดุน ท, ทั้งดุนทั้งทั้งดุนทั้งดิบไม่มีผ่านการตรวจเช็คสอบกลั่นกรองอะไรหละคิดคิดคาดคาดเดาเดาแล้วครัเชื่อเลย คิดคิดคาดคาดดาวดาแล้วก็เชื่อเลยทำด้วยตัวเองกิริยากายกิริยาวาจากิริยาใจแต่ก็ไม่รับไม่ยอมรับเรกคิดคิดคาดคาดดาวดาวสำคัญมั่นหมายเชื่อเ อ, เองคิดคาดคาดดาเดาๆสำคัญมั่นหมายแล้วก็เชื่อเ อ, เอง มันก็แบ่แต่กองทุกกองโทษมาทับถมหัวจิตหัวใจปัญหานั้นก็พันเข้ามาปัญหานี้ก็พันเข้ามาปัญหานั้นพันเข้ามาปัญหานี้ก็พันเข้ามานี่อายจินกรรมของพวกเราอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่ฝึกฝนอบรมจริงๆมันเป็นอย่างนี้พราะล่วงไปก็เป็นอดีตในขณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็กองทุกทั้งหลายก็รุมเราอยู่อย่างนี้เลย แล้วที่จะเป็นไปในอนาคตในเมื่อเราไม่พยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขมันก็ตัวนี้แหละมันพาไปพระยาณกรทุกในวัฏฏะสงสารยืดยาวไม่มีจุดจบมันก็คือดวงนี้แหละจิตดวงนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในวัตฏะสงสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบถามตัวเองเมื่อไรมันจะเข็ดจะหลาบ ความึกความคิดออกนอกออกน อ, อกลูนอกถางเมื่อไรมันจะเข็ดจะหลับเจอความทุกข์แล้วแล้วเล่าเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าผิดแล้วผิดเล่าทุกข์แล้ ว, ลวทุกเล่าตั้งใจจะแก้คราวไรทีไรเมื่อไหร่ก็ทับถมคราวนั้นทีนั้นเมื่อนั้นแทนที่จะแก้เป็นการผ่อนคานคลายมาัดแน่นเข้าไปอีกมัดแน่นเข้าไปอีกทับเข้าไปถมเข้าไป เท่ากับไ ป, ت, ไปอีก็อปจะแก้ความทุกข์ให้เบาบางไปสักหน่อยทุกทับถม ท, ท่ว ม, วมหัวยจิตหัวใจเข้าไปดูความทุกข์ในหัวยใจเวลามันเกิดมันน่าเข็ดน่าลาบทําไมไม่เข็ดไม่ลาบเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยที่จะพอสาวไปเพื่อเป็นข้อยุติในการรู้ในการเห็นในการได้ยินได้ฝังมันมีอยู่มันเป็นหลัก เหมือนกับเป็นเครื่องไมยเครื่องมืออยู่กับมือกำอยู่กับมือแต่เราก็ไม่ยอมใช้กันไม่ยอมทำกันตัวโมหะตัวเจ้าหลงหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วดูให้ดีหลงอีกแล้วเอาคูอีกแล้วหลงอีกแล้วตัวนี้ไม่ยอมให้มีโอกาสได้นึกได้คิดได้พิจารณาอะไรเลยเพลินไปเลยแหละความหลงกับความเพลิน นันทิราคะนันทิราคะสหกตาประกอบกันไปด้วยกันจูงมือจูงแขนกันไปเลยล่ะนันทิราคะสหกตาเพลินไปตัตตราพินันดนีเพลินเพลินไปแล้วก็เผลอเผลอไปแล้วเพลินเผลอบวกหลงหลงบวกเผลอเผลอบวกเพลินเพลินบวกเผลอ เผลอจากสติจากสัมปชัญญะที่เป็นเรื่องของศินของธรรมเพลินไปกับอำนาจของกิเลสระเริงไปกับความเป็นอิสระของจิตจิตอิสระเสรีอิสระแบบกิเลสขี่คอบนหัวใจนั่นเลินไปเพลินกับกิเลสขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดเิริขาดโอดตปะ คิดแต่ละประโยคแต่ล ะ, ะแต่ละประโยคแต่ละประโยคมีแต่เรื่องที่จะแตกแตกแถวแวหวกแนวนอกกรอบนอกกริตระบบระเบียบระบบของศินของธรรมนอกเหตุนอกปัจจัยที่จะนําความสุขความเจริญมาสู่หัวจิตหัวใจอยู่ในกรอบของผลคือความทุกข์มาทับท่วมหัวใจ มันก็วนอยู่อย่างนี้แหละวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละศพอารมณ์บ้างไม่ศพอารมณ์บ้างดีใจบ้างเพลินใจบ้างทุกบ้างครุกคลากันอยู่นี่แหละเปลินอีกแล้วหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วเพลินอีกแล้วหลงอีกแล้วเพลินอีกแล้วมันก็เป็นการเตือนกันได้เหมือนกันเป็นการเตือนตัวเองได้ ทำให้เราไม่ประมาทเหมือนกับเอนลงไปหรือล้มลงไปลุกขึ้นอีกแล้วล้มลงไปลุกขึ้นอีกแล้วน้อมลงไปตั้งตัวขึ้นอีกแล้วตั้งตัวขึ้นเพื่อต่อสู้ตั้งตัวขึ้นเพื่อเดินตั้งตัวขึ้นเพื่อชำระเพื่อชะเพื่อขัดเพื่อล่าง เพื่อตามต้นสิ่งที่มืดๆทึบๆทําให้เราหลงนั่นแหละความแก่ก็ไล่ต้อนเข้ามาความเจ็บคไขยได้ป่วยไล่ต้อนเข้ามาความตายขวางหน้าอยู่จะไปตรงไหนไม่อยากแก่มันก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ต้องตายเพราะมันเป็นการทํางานของสังขาร ตายไปแล้วสังขารมันก็เดินไปมันไม่ใช่มันจะหยุดยั้งอยู่แค่นั้นสังขารเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังขารอยู่รอบข้างตัวเราสังขารที่มีจิตวิญญาณครองหรือสังขารที่ไม่มีจิตวิญญาณครองเป็นไปเหมือนกันหมดเราสมมุติเราตายเนี่ยหมดลมหายใจวิญญาณไปปราดัระสิจากแล้วเนี่ย วิญญาณไปประจักแล้วเนี่ยร่างกายของเราก็ต้องเปลี่ยนไปสีก็เปลี่ยนไปไออุ่นก็เปลี่ยนไปหมดไปสีก็เปลี่ยนไปจากธรรมดาธรรมดาเป็นซีดอ่าเป็นซีดเป็นขึ้นเขียวเป็นขึ้นอืดเนี่ยไหมมันเป็นการทำงานของสังขารฉะนัะ้นลราก็บวม ตึงแตกน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลแตกเน่านอนตัวเล็กตัวใหญ่เจาะยัวเยี่ยน้ำก็เหือดแห้งไปธาตุน้ำธาตุดินเป็นเอนเป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังก็กระจัดกระจายไปหลุดไปร่วงไปเน่าไป เหี่ยวไปหายไปได้ไหมมันมันหยุดนิ่งที่ไหนเหลือเอ็นรัดรึงกระดูกอยู่เอ็นก็หลุดร่วงไปกระดูกท่อนนั้นก็หลุดร่วงไปกระดูกท่อนนี้ก็หลุดร่วงไปที่เหลือเป็นโครงอันนั้นก็ร่วงไปอันนี้ก็ร่วงไปอันนี้ก็ร่วงไปมันก็ไม่ยุติอยู่แค่นั้นนะการทํางานของสังขารมีการเวลาเป็นเครื่องตัดสินยาวไปเท่าไหร่ ลังคาเรานั้นก็ยิ่งเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปกระดูก ข, ขาวขาวแข็งแข็งแข็งจนคิดว่าจะไม่เป็นอะไรเอาไปเผาแล้วก็ยังไม่หมดยังแข็งแข็งอยู่นั้นนานไปนานไปกระดูกกระดูกมันมันก็ผุกระดูกมันก็ผุเป็นเป็นแป้งเหมือนช็อกหนังนเข้าก็เละหนังนเข้าก็แตกกระจายจากก้อนที่ว่าก้อนแข็งแข็งเล็ก ก้อนเล็กก้อนใหญ่กระจะกระจายละลายหายเป็นดินเป็นแป้งเป็นดินเป็นดินขาวๆปนกับอย่างอื่นกด็ดำดำแดงแดงมีการทํางานของร่างกายเป็นดินก็ไม่หยุดยัง้งอยู่แค่นั้นปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไเรื่อ ย, เ ร, อยเราดูไปให้สุดดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราดูให้สิ้นดูให้สุด มันยังไม่ได้เปื่อยไม่ได้สลายเหมือนอย่างที่เราพิจารณาอย่างนี้จิตวิญญาณตรงนี้ไปหาจับจองอีกแล้วไปเข้าท้องแม่อีกแล้วไม่รู้แม่คนหรือแม่สัตว์ก็ไม่รู้แล้วราองไม่สนใจความดีไปเข้าท้องแม่สัตว์นั่นแหละแม่สุนัขเอยแม่ควายแม่วัวไปเข้าท้องสัตว์ มนุษยธรรมมีมากหน่อยก็มาเข้าทองมนุษย์เป็นชั้นผู้ดีมีศักดิ์มีสินหน่อยก็มาเกิดกับผู้มีสินมีศักดิ์มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมาก็สะดวกสบายเพราะมันมีพร้อมอนนุก็มีอน้ก็มีของอยู่ของกินของใช้ของสวยอยู่ในแวดวงโยดทธาบรรดาศักดิ์มีคนรู้จักนับหน้าทือตา ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่เข็นมีที่ศึกษาธรรมมีที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมทั้งทั้งที่ไอ้ซากเก่ามันก็ยังทำงานไปตามเรื่องของสังขารของใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วสังขารใหม่รู ป, ปรธรรมเปจับจองในท้องท้องแม่อีกแล้วสังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันในท้องแม่อีกแล้วเจริญขึ้นมาอีกแล้ว จเจริญขึ้นมาอีกแล้วตั้งแต่วันนาวินาทีที่ไปประกอบกันเนี่ยจเจริญขึ้นมาอีกแล้วสังขารพ่อธาตุพ่อธาตุแม่ประกอบกันในท้องแม่เจริญในท้องแม่อีกแล้วใสๆเท่าเล็กๆมองไม่เห็นเนาะโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยเปลี่ยนสีขึ้นมาเรื่อยเปลี่ยนสันฐานเข้ามาเรื่อยเป็นแดงเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อน เลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขาอมีอวัยวะครบสามสิบสองผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกครบออกมาออกมาจากท้องแม่อีกแล้วนะสังขารตัวไหนที่มันอยู่หยุดอยู่กับที่ไม่มีโดยเหตุที่มันหยุดอยู่กับที่ไม่ได้มันเป็นคลองเป็นแนวเป็นแถวเป็นกดเป็นระเบียบเป็นระบอบของมันอย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงท่านจึงทรงเรียกตามกิริยาอาการของมันมันไม่อยู่นิ่งมันไม่หยุดมันไม่อยู่เท่าเดิมมันคงที่อยู่ในตัวเองมันไม่ได้พระุทธเจ้าท่านทรงตรัสวู้นี่แหละทุกนี่แหละกองทุกมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนี่ทุกครั้งเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่คงที่ ไม่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยไม่เพิ่มขึ้นก็นลดลงที่เราเรียกว่าไม่เท่าเดิมไม่เท่าเดิมเหมือนพวกเราเนี่ยไม่มีใครเท่าเดิมออยู่ในวัยที่เจริญวันเจริญมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรือไม่เท่าเดิมจากเล็กก็ใหญ่โตมาเรื่อยมาเรื่อยมรืไม่เท่าเดิ ม, ม, อ ม, อ ม, อ ม, ดมพอมาถึงสุดขีดกลางกลางวัยโค้งลงเหมือนสะพานนี่แหละ อันนี้ก็ไม่เท่าเดิมหละลดลงลดลงลดลงลดลงอันนั้นก็ลดอันนี้ก็ลดังสังขารร่างกายอันนั้นก็ลดไปอันนี้ก็ลดไปกําลังวังชาก็ลดไปตาหูก็ลดไปจมูกลิ้นก็ลดไปความจําความเสื่อมลดไปลดไปลดไปไม่เจริญขึ้นก็คือเสื่อมลงที่จะอยู่เท่าเดิมมีน้อยนอกจากว่าเราเห็นว่ามันไม่แปล่หูเปลกตาเราก็ว่าเท่าเดิม มันไม่เจริญขึ้นมันก็เสื่อมลงไอ้ตัวที่ค่อยเจริญขึ้นคอยเสื่อมลงในร่างกายของเรากอภาษาหมอเขาเขว่าเซลล์เซลล์อะไรนะเนี่ยเซลล์เซลล์ของเนื้อเซลล์ของกระดูกเซลล์ของผมเซลล์ของอะไรสารพัดเซลล์ก็คือคือกลุ่มกลุ่มชีวิตกลุ่มหนึ่งที่มันต่อแขนงออกไปเรื่อยต่อแขนงออกไปเรื่อยมันสร้างขึ้นมา เพื่อทดแทนตัวที่เสื่อมไปสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนตัวที่เสื่อมไปสิ่งที่เป็นปัจจัยให้กับมันก็คืออาหารที่เราใส่เข้าไปเป็นข้าวปลาอาหารนี่ก็คือดินน้ำลมไปใส่เข้าไปไปเสริมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปเสริมธาตุที่มีอยู่ในภายในมันไม่มีตัวไหนที่มันจะหยุดนิ่งเท่าเดิมไม่มีที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็น อย่างอื่นมันปรับเปลี่ยนเป็นเปลีป่นยนไปไม่ได้บังคับบัญช่ายเป็นไปตามใจหวังของตัวเองก็บังคับไม่ได้พระพระพุทธเจา้าจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตานี่แหละอนัตตาภาวะอันนี้เป็นภาวะที่เราพยายามดูให้เห็นด้วยปัญญาด้วยปัญญาญาณด้วยญาณทัศนะคิดคิดคาดคาดเ ด, ดาเดามันก็ยังไม่ชัดเจนพอ คิดคิดคาดคาดเดาเดาประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยก็เริ่มชัดขึ้นมาเริ่มชัดขึ้นมาเพราะนี่มันเป็นหลักสัจธรรมมันเริ่มชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาทําแล้วแล้วล่าเล่าชำทำจนเกิดความรู้ความเห็นเป็นอัศจรรย์ที่ท่านเรียกว่าปัญญาปัญญายานญานณทัศนคเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเห็นหมดเต็มร้อยตามรูปแบบของมัน ไม่เห็นส่วนหนึ่งหายส่วนหนึ่งไม่เห็นซีกหนึ่งเหลือซีกหนึ่งเห็นหมดโดยสิ้นเชิงก็เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมบางส่วนเข้าไปเลยเข้าไปเลยรู้ไปเลยนี่คือการศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริงการปฏิบัติธรรมของในพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาหลักธรรมชาติกายของเราเองการศึกษาธรรมชาติจิตของเราเอง เหตุปัจจัยกายของเราเหตุปัจจัยจิตของเรารูปธรรมกับนามธรรมเกิดขึ้นบางเกิดขึ้นแล้วก็มาเกี่ยวข้องมาผูกพันกันแล้วก็ความไม่ดีของจิตเป็นเหตุให้ท่านเรียกว่า ก, กิเลสกิเลสเป็นสภาพที่มาทําความลําบากทําความเดือดร้อนให้กับธาตุรู้คือผู้รู้กิเลสตัวนี้แหละ ก็คือถ้ารู้คือผู้รู้ไม่ฉลาดพอหลงเพลินไปกับวันนั้นหลงเพลินไปกับอันนี้มีความรู้ยึดถือรูปธรรมเนี่ยเป็นถ้ำเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นช่องออกมาหาหาอยู่หากินอาศัยตาเป็นช่องออกเป็นวาวรหูเป็นวาวรจมูกลิ้นกายใจมโนอน้อมนึกเป็นวาร เป็นช่องออกออกมาต่างๆก็ไปเห็นรูปเห็นไปเห็นรูปนั้นเห็นรูปนี้เห็นสีสันแตกตา่างแพรวๆหลงเพลินไปเรื่อยกับอารมณ์ที่เราเห็นหลงเพลินไปเรื่อยหลงเพลินไปเรื่อยหลงเพลินไปจนลืมเนื้อลืมตัวนี่คือความหลงมันพอกผูนไปในหัวใจดวงนั้นหูก็เช่นเดียวกันเพลินไปกับเสียงจมูกก็เพลินไปกับกลิ่น มันทำหน้าที่ม า, มารับรู้รับทราบรับเข้าใจแต่และอย่างแต่และอย่างจากการที่กิริยาของจิตมันออกมารับรู้รับเห็นรับทราบรับเข้าใจลิ้นกายสัมผัสสัมผัสเย็นสัมผัสร้อนเพราะฉะนั้นการศึกษาธทมการประพฤติถามการปฏิบัติทำท่านจึงให้ย้อนมาดูมาย้อนมาพิจารณา ย, ย้อนมาพิจารณาต้นต่อที่ท่านเรียกว่า พิจารณาของจริงนหละพิจารณาของจริงพิจารณาเรื่องจริงเรื่องจริงก็คือตาคือรูปจมูกหูคือเสียงจมูกคือกลิ่นลิ้นคือรสกายคือสัมผัสพิจารณาอะไรไปเป็นตัวพิจารณาเอาสติทำความรู้ทันรู้เท่าทันเอาสติทำความกําหนดรู้เท่าเห็นรูปมีสติทันเห็น ไม่ให้ตัวเจ้าหลงเจ้าเผลอเจ้าเพลินเพลินยึดเพลินเกาะเพลินติเพลินชมไม่ให้ไม่ตัวเจ้านี้มันโผล่ขึ้นมาเห็นสักเทว่าเห็นแล้วก็จบเห็นสักเทว่าเห็นแล้วก็จบแต่ถ้าสติสัมปชัญญะทั น, นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นสักเทว่าเห็นเพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าท่านแสดงทำให้กับพระพาหยะเธอจงเห็นสักเทว่าเห็นและยินสักเทว่าได้ยินพระพายะทําตามนั้นได้จริง แสดงยทำยังไม่จบหนึ่งคาถาเนี่ยเป็นพระละหันพระภายะเห็นสักเทว่าเห็นได้ยินสักทเทว่าได้หินเราได้ยินได้ฟังแค่นี้เราก็ไปนั่งทดสอบดูเห็นสักเทว่าเห็นเป็นอย่างไงมันมันเป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆริงไหมเราพยายามทําให้รู้เท่าทันชั่วขนาดหนึ่งช่วงขนาดหนึ่งแล้วก็พยายามสามารถดํารงภาวะอยู่ในกิริยานั้นๆตลอดไป เป็นการฝึกซ้อมจนกว่าจะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นในหัวใจของเราการศึกษาธรรมเป็นการศึกษาธรรมชาติโดยเหตุที่เราไม่เข้าใจเราจึงหลงกับธรรมชาติรูปของเราเองหลงความหลงก็คือหลง ย, ยึดรูปไม่ใช่เราไม่ได้อะไรไปเกิดในท้องแม่เลยสักชิ้นเดียว พอออกจากท้องแม่มานี่ยึดแล้วเกินกายเรากายของของเรามาทะนุถนอมมาประคับประคองมาทะนุถนอมมาตกมาแต่งมายึดมาถือมาหึงมาห่วงมาทะนุถนอมอยู่นั่นลืะผอมแล้วเกินไม่สบายใจแล้วอ้วนแล้วเกินโอ้ไม่สบายใจแล้วห ม, มองแล้วเกินเออผ่องผิวพันผ่องขึ้นมากับหลงเพลินไปอีกแล้วอ้ย งามเหลือเกินงามเหลือเกินนี่เขาเรียกว่าไม่ได้เห็นตามที่มันเป็นจริงตามเรื่องของมันเก้ออยู่แต่กับเครื่องลุ่มหลงท่านให้ศึกษาเพื่อทําลายความรุ่มหลงตัวนี้สติชำพัญญะเหมือนอาวุธอยู่ในมืออยู่ในกำ ม, มือเป็นเครื่องมือสําหรับกํากับจิตของเราเพราะฉะนั้นในในหลักมหาสติท่านจริงกําหนด กายเวทนาจิตธรรมกายกายเป็นกองทุกกายเป็นก้อนทุกเป็นศูนย์รวมที่เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นเป็นที่ออกมาของใจท่านให้จึงให้กาหนดกายกายเป็นตัวทุกกายเป็นเจ้าทุกกาหนดเวทนาเวทนาเป็นตัวทุก เวทนานี่เป็นนามเป็นนามขันเวทนาขันกายเวทนาจิตจิตคือผู้รู้ผู้รู้ทั้งลุ่นผู้รู้ที่ประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะที่มีอยู่ในนั้นนั้นนะเป็นผู้รู้ทั้งลุ่นเป็นผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้รู้ที่เคลือบแฝงมากับโมหะความลุ่มหลง นท่านให้มาศึกษามันเป็นการกําหนดดูผู้รู้กําหนดดูตัวทุกข์คือผู้รู้ท่านให้กําหนดอย่างนี้ให้มีสติตามกําหนดเอากายเป็นที่ตั้งของสติเอาเวทนาเป็นที่ตั้งของสติเอาจิตเป็นที่ตั้งของสติกํานึกกําหนดนึกย้อนไปที่จิตของเราเอง กำหนดนึกย้อนไปที่จิตของเราเองเพื่อจะได้ทันกลทันอบายทันมายาของมันแล้วก็พิจารณาบทธรรมบทใดบทหนึ่งเช่นอย่างนินวรห้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทธรมรมโทชงเจ็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทธรรมพิจารณารูปธรรมพิจารณานามธรมรมพิจารณาขันธ์ทั้งห้า พิจารณาตามหลักอริยสัจสี่ 4. นี่ท่านก็นถือว่าเป็นพิจเป็นการพิจารณาธรรมแต่เวลาก็ทํางานไปแล้วเนี่ยเราจะพิจารณากายก็ตามมันก็ประกอบกันทั้งหมดทั้งสี่อย่างนั่นแหละเราจะพิจารณาเวทนาก็ตามมันก็ประกอบพร้อมอยู่ด้วยกันทั้งสี่นี่แหละกายเวทนาจิตเอาจิตามาพิจารณาในขณะที่พิจารณามันก็เป็นธรรม มันเข้าในหลักอริยสัจสี่มันเป็นหลักอิทธิบาทมันเป็นหลักโพชฌงหรือมันเป็นอยู่ในหลักอริยมรรยองแปดเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดกิริยาทั้งหมดมันเข้ากันทั้งหมดเวลาเราทําไปแล้วเรามาย้อนดูมาไล่ดูมาย้อนดูมันรวมอยู่ในอันเดียวกันหมดนอกจากเราจะไปแยกพูดเป็นเหตุเป็นเหตุให้เข้าใจเท่านั้นเอง คือการคือการทํางานเพื่อที่จะรู้เท่าทันความโง่ของใจของเราเองใจเราโง่เองจะไปโทษใครใจเราโง่เองใจเราไม่ฉลาดพอออกมาทางตาเพลินไปกับตาเห็นนู่นเห็นนี่เห็นสารพาัดเห็นไปก็หลงเพลินไปกับความเห็นของตัวเองหูก็เช่นเดียวกัน อาศัยออกมาทางช่องทวารมาท่องเที่ยวแล้วก็มาหลงเพลินไปกับสิ่งที่จะขอไปเที่ยวนี่แหละยิย่งเพลินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงไปเท่านั้นยิ่งหลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพลินไปเท่านั้นเพลินไปเท่าไหร่ก็หลงไปเท่านั้นความหลงต่างๆเหล่านั้นทําให้เรายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานสิ่งที่พาเราเพลินก็คือพวกความอยากความอยากก็คือความหลงระเริงตัวเองนั่นแหละจิตมันอยากมันหลงมันเพลิน ความอยากตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตจิตที่ยังมีตัณหาอยู่จิตยังมียังเหนียวอยู่เพลินไปเงินเพลินไปกับความอยากตัณหาคือความดิ้นรนความทะเยอทะยานความอยากเพลินคือตัณหาเกิดอุปาทานเพลินยึดเกาะสิ่งใดเป็นอุปาอุปาทานกับสิ่งนั้นยึดเกาะสิ่งใดเป็นอุปาทานกับสิ่งนั้นหากมันเป็นโดยหลักธรรมชาติ เป็นโดยหลักธรรมชาติเราไม่ตั้งใจว่าจะไปยึดไปเกาะไปถือมั่นอะไรดอกแต่มันเป็นธรรมชาติของมันสออักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำไม่ได้ยึดมันถือมันสำคัญมันหมายอะไรกิเลสมันไม่ได้ว่าเหมือนเรากิเลสว่าแต่เราไปเกาะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอะไรมันเป็นตัณหามันเป็นอุ ป, ปาทานไปในขณะเดียวกันเป็นตัณหาเป็นอุ ป, ปาทานย้ายจากสถานะหนึ่งของจิต ย้ายจากตรงนี้ไปเป็นตรงนั้นย้ายจากทนไปเป็นตรงนั้นที่ท่านเรียกว่าอุปาทานความยึดเอาของมันนั่นแหละมันเป็นการย้าย อ, อุปาทานก็เป็นเหตุให้เกิดภพที่ท่านพูดเอาไว้ภพปเป็นปันใจจัยให้เกิดชาติมีที่เกิดเราแล้วเราจะต้องไปเกิดในที่ที่นั้นนั้นเราก็มาต้องมองอีกแล้วมีรูปธรรมมีนามธรรมาเลยเกิดแล้วก็ต้องมาแก่อกแล้วก็ต้องมาเจ็บอีกแล้ว แกก็ค่อยๆแก่ไปอันนั้นก็เสื่อมไปอันนี้ก็โทมไปเจ็บปีแล้วหิวกระหายก็นี่เ็เป็นความเจ็บความเปลี่ยนแปลงเข้ามาเน่เป็นความเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้เป็นวัดเป็นโรคเลื้อรังเป็นโรคร้ายแรงโรคมะเร็งโรคตับมะเร็งตับมะเร็งปอดสารพัดที่มันจะพึงมีพึงเป็นเสร็จแล้วก็ตาย กว่าจะตายทนทุกทรมานขนาดไหนทุกต่างตายมันถึงตายเนี่ยไมพเกิดได้เกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ร่างกายเน่าเปือป่อยไปวิญญาณยังไม่ถึงไหนละไปจับจองอีกแล้วไปจับจองอีกแล้วเพราวัตตะสงสารของผู้ไม่ฝึกฝนอบรมให้ ร, หรู้ให้เห็นช่องทาง เพื่อทีจะเอาไปฝึกฝึกฝืนกับหลักธรรมชาติที่พาเราล่มหลงบ้างแล้วเนี่ยวัฏตาสงสารเป็นการยืดยาวที่สุดไม่มีจุดจบเหมือนมดแดงไตขอบกระดองหลวงตาตะว่ามดแดงไตขอบกระดงไม่มีที่จบไม่รู้เริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จบตรงไหนวนอยู่นั่นแหละวิ่งจนขาขาดแขนขา ด, ว, าขาดวิ่งจนตายก็วนอยู่อย่างนั้นแหละนี่ เลยเป็นเหตุว่าพวกเราอยู่ท่ามกลางอยู่ท่ามกลางปฏิปทาอยู่ท่ามกลางที่ฝึกอยู่ท่ามกลางสนามฝึกถ้าเราโมดแต่เอาหูไปนาเอาตาไปไรไม่ได้สนใจใส่ใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้กิเลสภายในหัวใจของเราก็สนุกโลดโลดเต้นมันไม่ต่างอะไรกับกับสนิมมันกินเหล็กนมันกินจนเกลืจนกรังเกลืกรังไปหมดเราไปดูเถอะสนิมที่มันกินเหล็ก กินไปเหล็กก็หมดไปกลอนไปสึกไปกร่อนไปหมดไปอัตภาพร่างกายของเราก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่ไปอยู่ไปตตไแล้วสุดก็ตายตายเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ทำไมถึงเกิดใหม่เพราะมันยังไม่ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมันยังเพลิน อ, อยู่มันยังมีความอยากอยู่มันยังมีรสชาติยัง อ, อรอิดอร่อยอยู่ยังเสเวอยู่มันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเพราะฉะนั้นมันก็ยืดยาวไปแบบไม่มีที่จบเป็น เป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดคือเวลาของผู้ที่ไม่ศึกษาให้รู้จักหลักอริยอริยสัจให้รู้จักอะไรคือทุกข์รู้จักอะไรเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักกิริยาที่จะทำให้เกิดความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติไม่รู้ข้อปฏิบัติ ที่จะปฏิบัติให้ดับทุกข์ภพชาติจึงยาวที่สุดยาวแบบไม่มีจุดจบเลยทีเดียวพอเป็นข้อคิดพวกเราเอาไปพิิพิจารณาตื่นให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเพื่อจะได้มันดูมามองสิ่งเหล่านี้ในหัวใจของเราบ้างไม่หลับไหลลุ่มหลงให้มันเหยียบไปถ่ายเดียวกพจะรู้หน้ารู้ตา รู้ข้อปฏิบัติรู้จักเบา อ, อกบาใจบ้างรู้จักผ่อนคลายกองทุกข์ในหัวใจบ้างเขาจะได้รู้จักวิธีการตัดทอนกับมันบ้างเห็นทุกข์เห็นโทษกับภัยกับมันบ้างพอได้เอาความสุขส่วนนี้มามาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เจริญไปเรื่อยเติบโตไปเรื่อยเติบโตไปเรื่อยเติบโตโดยธรรมนี่คือความหวังด้วยกันทุกคนให้ตัง อ, อกตังใจ เอาละเพราะตงควรเวลา <c oughs>